อมะดัดสวัสดีค่ะโดยคุณอมราสินทวีวงศ์สวัสดีค่ะ ของหนังสือที่หลงตนเองหลงอารมณ์ซึ่งจนในที่สุดเธอได้พบกับแสงแห่งพระธรรมราวผ่านการปฏิบัติภาวนาชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเปลี่ยนอย่างไรคน ชมรมกัลยาณธรรมได้รู้จักตัวตนของคุณหนิงอมรา ในความงมเขาปัญญาในเบื้องต้นเมื่อ ได้รับพรอันประเสริฐในชีวิตเฉกเช่นที่เธอได้รับอย่าง พัฒนาสํานึกด้วยปัญญาคํานิยมสารัญจะสารโตยัตตวาอสารัญจะอสารโตเตสารังอธิคันฉันติ สมาสังตะปะโคจราติจากธัมมบทขุททกนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่ 25 ชนเหล่าใดอารมณ์ ย้ําประสบกับ 1 ศีล 2 สมาธิ 3 ปัญญา 4 วิมุตติ 5 วิมุตติญาณทัสสนะ 6 ปรมัตถ์ 7 นิพพานวิปัสสนาธุระ ไม่ผันแปรสู่ยอดธรรมแก่นอริยะสัตว์สีที่โกจรตามบวรพุทธพจน์ปรากฏตรงผู้ใดเห็นสาระเป็นสาระอสาระ สาระเริ่มประเดิมที่ปฏิบัติยอดเข็มมะมงคลธรรมกรรมฐานรู้ ขอสงสารชี้อรรถสาระเอ่ยหนังสือธรรมะดัศนานโดยคุณอมราสินธวิวงศ์เล่มนี้ได้เสนอ และในมุมของความคิดในมุมของความคิดหนังสือเล่มนี้สามารถชี้ เมื่อเจริญธรรมเจริญวิปัสสนาจึงสามารถเข้าไปกำหนดรู้รู้ในทุกขสัจจะ ในส่วนบุญอันเกิดจากเจตนาของคุณอมราสินทวีวงศ์บรรณาธิการวิปัสสนาศาลสำนัก โครงการวิปัสสนาธุระวัดมหาธาตุคณะ 5 กรุงเทพมหานคร 5 พฤศจิกายน 2551 คำนำหนึ่งที่เวียนว่ายตาย โชคดีที่ชาตินี้เกิดมามีสุขมากกว่าทุกข์มีกินมากกว่าอดๆที่เกิด ใครทําให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 18 ปีที่ทุกอารมณ์ที่มันจะก่อตัว ก็จะ 50 ปีและขอมอบความดีมี ครุเจ้าขึ้นมาเนื่องจากประสบการณ์โดยตรงของตนๆที่อยู่ๆตัวเราดินน้ำลมไฟ นั่นคือสิ่งที่มองเห็นส่วนสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือการคิดปรุงแต่งของจิตใจที่มองเห็นส่วนสิ่งที่มองไม่เห็นบอกตนเอง ความเคยชินที่เคยทํามาบ่อยๆที่เรียกว่านิสัยถาวรของๆเกิดขึ้นจากภายในใจ ความเคยตาหูจมูกริ้นกายใจอันเป็นช่องทางจะเริ่มต้นอย่างไรจะเกิดทั้ง ตั้งใจจะเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้แจกแก่ผู้ในวันที่ได้ละสังขารตายจากไปแล้ว ขอมอบผลบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นที่ทานศีลและภาวนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัน ขอทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมอนุโมทนาในธรรมทานครั้ง ไปจนถึงซึ่งการทำกองทุกข์กอง ผู้เปรียบเสมือนพระของข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุก ไม่ได้เป็นการจะทําเพื่อจะให้เกิดการมี มรดกธรรมจากพ่อการพัดพร่างพ่อทําให้ฉัน หายจากโรคมะเร็งหลายที่กำลังก่อกินกระดูกของท่านและ แล้วจึงหลับเป็นศุขพ่อที่แม้จะจากไปอย่าง จะเบิกทางไปสู่สวรรค์ในสังปรัยภพแต่เหรียญพ่อสอนฉันเป็นครั้งปี 2533 ครอบครัวของเรามีโอกาสได้อยู่รวมกันเพราะพ่อและแม่ได้คร 59 ท่า ด้วยความทันสมัยบางครั้งท่านก็ใส่บลูยีนรองเท้าผ้าใบป้าเท่ไม่เบาเลยคุณพ่อใช้ชีวิตคุ้มค่า ท่านตรวจวันหนึ่งเป็นและอาการที่ตามมาก็คือท่านปวดไปทั้งตัวทุกปีผลการตรวจก็ปกติดีวัน ชิ้นและผลของการตรวจเป็นเนื้อร้ายชิ้นนั้นไปตรวจและผลของการตรวจเป็นเนื้อรายมะเร็ง MRT เป็นเครื่องเอ็กซเรย์พิเศษสามารถดูทั่วทั้งร่างกายของท่านผลปรากฏว่ากระดูกของท่านดํา ก็เพียงเท่าเราอาการเจ็บป่วยและหยุดไม่ให้มะเร็งลามไป คุณพ่ออาการทรุดลงอย่างรวดเร็วคุณพ่อมีกำลังใจดีมาก พวกเราแพ้ท่านท่านดีดลูกคิดรวดเร็วท่านแม้แต่ลูกค้าของ บางโรงเรียนยากจนมากไม่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนมาขอท่านท่านก็จะและบางครั้งก็ยังบริการไปส่งให้ถึงที่ท่านพูดเสมอว่าคนเราเวลาตาย 1 คนนั่งแค่ 2 คนเดินแล้วท่านก็จะอธิบายว่า 1 คนนั่งแค่คือดวงวิญญาณ ก็มีกําลังพาเราไปในที่ที่เราๆให้ลูกฟังจึงไม่แปลกเลย 15 วันท่าน ท่านขอไปสิ้นลมที่บ้านที่ห้องของท่านเดือนฉันเดินเข้าไปเยี่ยม ICU บอกท่านว่าฉันจะ แต่สายตาที่ท่านมองฉันมีความอบอุ่นห่วงใยและอาลัย 19 ตุลาคมคุณ 21 ตุลาคมฉันอยู่ ฉันได้แต่ถามตนเองว่าอะไรกันลูกชายเกิดถามตนเองว่าอะไรกันลูกชายเกิดคุณพ่อตายจากเมื่อคุณ ท่านก็จากไปตามกาลเวลาของท่านพวก เราต้องไปเก็บกระดูกของพ่อฉันยืนอยู่ที่เ main เผาศพเจ้าหน้าที่นํากระดูกเราเปนจุฉันยืนมองสิ่งที่ตรงหน้านี่เหลือคุณฉันฉันเห็นเหรียญบาทพวกพี่ๆเขาได้ป้อนข้าวใส่เหรียญบาทที่ปากของท่าน ตามประเพณีจีนที่เชื่อว่าจะเป็นเงินที่พิจารณาสิ่งนี้เป็นมรดกธรรมที่พ่อ มีปริญญาทุกๆแม้แต่เงินบาทเดียวสูงสุดพุทธานุภาพปรากฏเห็นการเกิดดับการเกิด 54 การปฏิบัติธรรมครั้งแรก 27 กันยายนตุลาคม 2547 <ฮ. S 1> เสียงวิทยากรกล่าวกายวาจาใจต้องตรงกันนะคะตรงกันนะคะนับ ดิฉันเพียงทําตามคําสอนไปเรื่อยๆอย่างคนหัวอ่อนจนรู้สึกเวียนศีรษะตรงคนคนคนคน 300 คนเห็นเค้า ทำให้ดิฉันมีกำลังใจที่จะทำตามทั้งๆที่ไม่รู้ว่าทำแล้วจะได้อะไรแต่มีโยคีแปลแน่ๆงานนี้ ดังนั้นคนหัวอ่อนอย่างฉันซึ่งไม่เคยอยู่ห่างบ้านห่างๆอย่างคนหัวอ่อนวาจาใจให้ วันที่สองที่โดยปกติไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้เลยตื่น 03.30 แต่ด้วยความที่นอนไม่หลับโดยเคยแต่นอนห้องที่มีเครื่องปรับอากาศไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้เลยอยู่ เขาเขาบอกว่าให้มาปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าคนที่มีบุญอย่างเราต้อง จะโทรเรียกสามีมารับกลับก็ไม่ได้จะพูดจะบอกใครเค้าก็ห้ามไม่ให้พูดกันเค้าบอกว่าเรารับกรรมฐานแล้วเหมือนเราให้สัจจวาจา แม้พูดไม่ได้ยิ้มให้ก็ยังดีแต่เขาก็น่าบอกบุญไม่รักคงจะถูกหลอกมาเหมือนกันทําให้อุ่นใจว่าๆโดยไม่ต่อต้านอะไรเพราะเป็น ฉันจะนั่งหน้าสุดเลยเพราะไม่ชอบที่เวลากราบๆอยู่ข้างหน้าอีกพูดวิทยากรสอนฉันกลัวทําผิดทําแล้วจะบาปฉันเลยนั่ง ทำแล้วดีอย่างไรพอ ทำ, 3 ของ ตื่นนอนอาบน้ําแล้วก็ดื่มกาแฟรองท้องก่อนที่จะเดินจงกรม เพียงเหมือนวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ที่เรา ขณะที่ฉันกําลังนั่งตามดูอาการเคลื่อนไหวของพองยุคให้ตรงกับสภาวะความเป็นจริงดูและก็รู้ และบริกรรมให้นั้นการเคลื่อนไหวหูจมูกลิ้นกายใจแต่ขณะนั้นการกระทบทางตาและทางหูจะน้อยมากพอเรานั่ง เรียกว่ากลับฐานปฏิบัติของเราจะอยู่ที่บริเวณสะดือจะพองๆตามความเป็นจริงแล้วอาการพองยุบก็หายไปนิ่ง ไม่มีหนอแล้วมาแต่ครั้งนั้นว่ามันลัวเป็นกองเลยค่ะไหนมาก่อนพองหรือยุบมาแต่ครั้งนั้น เหมือนลมหายใจจะหยุดดับไปตรงนั้นเลยเวียงเนาะอาการพองอาการยุบน้ําๆ คนเราเมื่อธาตุแตกก็แหลกละลายตัวหนูเย็นเฉียบธาตุดินแข็ง 60 ปีพุทธานุภาพสอน จึงสอนให้ดิฉันรู้ตัวว่าสอนให้ดิฉันรู้ตัวว่าเธอน่ะหลงตัวเองดีนักรู้ว่าหนูต้องกําหนดให้ทันว่า หนูต้องเคยปฏิบัติมาก่อนในอดีตชาติจึงได้เห็นอาการ 3 ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องการ อย่ามัวรุ่มร้อนกับชีวิตต่อไปอีกเลยเวลาของเธอเหลือน้อย เป็นความสว่างกลางใจที่สอนตนเองความสว่างกลางใจที่สอนตนเองดังที่คุณแม่ ดร. สิริกฤตินชัยเคยสอนอุตริหรือเพ้อ แต่มันมีเหตุผลที่ทําให้ให้ดิฉันเกิดศรัทธาใน รู้ก็รู้เฉพาะตนดังนั้นผู้อ่านอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่ง เปรียบได้ว่าศีลเป็นถนนทางเดินทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นแผนที่พระพุทธองค์ท่านเป สิ่งที่ตามมาก็คือจิตใจเราก็จะผ่องใสแม้หากอดีตชาติเราเคยสร้างกรรมอย่างยศสุขสรรเสริญไม่ว่า เมื่อเรามาฝึกกิจให้มีพลังในก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วทุกขังอนัตตาถ้าหาก อย่างเป็นผู้รับรู้เราต้องชดใช้โดยมีสติผู้รับรู้เราต้องชดใช้โดยมีสติและวาง ก็หาต้นไม่ได้มีเวรมีกรรมต่อกันไม่ ครั้งนั้นหลังครบ 8 วัน 7 คืนดิฉันได้มีโอกาสออกไปกล่าวแสดงความรู้สึกใช้ งานนั่งนอนเที่ยวดื่มใช้บุญเก่าไปเรื่อยๆบุญเก่าหมดไปแล้วเก่าหมดไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะกลิ่นชัยหลัง ใช้เวลาที่เหลือให้มีค่าที่สุดเวลาที่ท่านเมตาให้มีค่าที่สุดท่านอาจารย์มนตา ท่านต้องไปทํากายภาพบําบัดดิฉันดี แต่ดิฉันไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปหาท่านเลยมีแต่โทรคุย ซึ่งเหมือนยิ่งกว่าการได้ส่องกระจกเห็นตนเองว่าไม่น่ารักเลยที่จะแคนทํากับคุณแม่ บุลุษพยาบาลย้ายท่านจากเตียง 1 ไปสู่อีกเตียงนึงที่ประจำที่ห้องพอท่านนอนเข้าที่ เคลื่อนมารูปศีรษะดิฉันยังยังอ่อนโยนและเสียงที่ท่าน มีแต่ความแม่ตาและเป็นห่วงผู้อื่นเมตตาและๆสมเป็นคุณพ่อทองคําของลูกๆโยคีจากนั้นเราก็กราบลาคุณพ่อทองคํากัน พวกเราแวะกันที่ร้านของมหาจำลองเป็นอาหาร แล้วท่านก็ยื่นแบ่งให้ฉันท่านกล่าวอย่างมีเมตตาว่าเอ้าหนูเอา ดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่ดิฉันจะไม่มีเงินแม้แต่จะทาน กว่าครั้งนี้เลือกรับประทาน 25 บาทแล้วก็ดื่มน้ําที่เขามีๆว่าคน เพียงเพื่อให้ร่างกายได้เพ 25 บาทอย่างมันก็มีค่าเท่ากันอิ่มเหมือนกันเพิ่งหนูกินจิตที่ใสสว่างไปมัน มาถึงบ้านคุณแม่ ดร. สิริกลิ่นชัยซึ่งอยู่ในซอยอันแสนจักรขะ พวกอาจารย์ที่มาด้วยกันเข้ามากราบพระกันแล้วทุกคนก็หันไปทางซ้ายกราบเท้าคุณแม่ซึ่งนั่งรออยู่ดิฉันนั่งมองอยู่สุดท้ายเลยได้มองดูนี่เหรอคุณแม่ ดร. สิริกลิ่นชัยคุณแม่ทางธรรมคุณแม่ที่เป็นคนที่ทําเกิดหลักสูตรที่ฉัน สายตาเต็มไปด้วยความเมตตาในชุดลําลองสีขาวดูสว่างอบ น้ำตาไหลออกมาเงียบๆคุณแม่เริ่มทักทายคนนู้นคนนี้อย่างมีเมตตาแล้วสายตาของท่านก็มาหยุดที่ฉันท่านอาจารย์มันตาท่านจึงรีบแค้นไปกราบคุณแม่ใกล้ๆฉันก้มลงกราบไปที่เท้าของท่านน้ำตาฉันไหลเปียกหลังเท้าของท่านคุณแม่โน้มตัวลงเอื้อมมือมาประคองหน้าดิฉันแล้วก็พูดว่าหนู ชื่ออะไรจ๊ะโยคีใหม่ใช่ไหมนี่ฉันพูดไม่ออกท่านอาจารย์มันตายท่านตอบแทนว่าชื่อ แล้วก็บอกว่าหนูหนิงหนูมีของเก่ามานะลูก ต่อแต่นี้จะใช้เวลาที่เหลือให้มีประโยชน์ต่อตนและผู้อื่นเออเราไปอวยพร <เอ อ, S 1> ในรถท่านอาจารย์มนตราสอนพวกเราร้องเพลงวันเกิดแบบไทยๆให้นำด้วยเงินทองยศศักดิ์ให้คนรักมากมีเสียงท่านไพเราะน่าฟังมากค่ะเราร้องคร่อๆๆ อาจารย์สมนาตื้นตันน้ำตาคร่อเบาแต่ละคนก็เลยม่อหมายเอาของขวัญที่เตรียมมาแต่ก็กล่อง เพราะเพราะว่าวันเกิดของฉันจะติดกับวันแห่งความสุดฉันมองดูวันเกิดของท่านทําไมดูอ้าวขอ แล้วท่านก็ยื่นกล่องกระดาษสีขาวขนาดเท่าฝ่ามือให้ฉันมันเป็น ท่านอาจารย์พาฉันไปกราบคุณตาคุณพ่อของท่านซึ่งชรา ทำให้ฉันคิดพิจารณาพอขึ้นรถท่านอาจารย์มนตาท่านถาม โอ้โชคดีหนูตื่นสายค่ะบางวันตื่นเกือบเที่ยงเกือบบ่ายดูคุณเอพระดีมั้ยฉันชั่วโมงพระราชานอนห้าราชานอน 5 จุดๆทั้งวันทั้งคืนหนิงเคยเห็นพวกนี่เป็นข้อคิดอีกข้อนึงที่ฉันได้สะดวกจ๊ะเพราะตอนขณะ ฉันมองเวลาจะไปไหนก็ถามท่านอาจารย์ว่าที่นี่ที่ไหนเพราะ ฉันยังงุนงงกับสิ่งที่ต่างๆที่ได้เรียนรู้มามันมากมายซะจนฉันคิด ฉันไม่เคยนั่งแท็กซี่คนเดียวอยากจะโทรไปบอกสามีให้มารับแต่ก็ไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียว ทั้งๆที่จริงๆแล้วแทบจะไม่ได้ใช้เช่นการไม่แต่งหน้าออกจากบ้านๆ ถ้าเจ้าของรีลาสปาเคยเห็นคุณบอกว่าไปบางนาตาดของลีลาสปาไม่ๆที่ได้ 8 วัน 7 คืนทำไมจิตเรา ดีไม่มีที่ติมีสามีก็รักและตามใจทุกอย่างมีลูกสาว 1 คนมีลูกชาย 2 คนก็เก่งแล้วก็เป็นเด็กดีตอนฉันเริ่มเข้าใจตัวตนของตนเองว่ามีอะไรมากมายที่ฉันต้องปรับปรุงขอให้มีชีวิตลอดไปพบสามีที่รักเพื่อจะได้แก้ ฉันก็บอกว่าหมู่บ้านเขาก็เลยบอกว่าว่าหมู่บ้านเค้าก็เลยบอกว่าโอ้โหไกจังในตอนแรกคุณบอก 40 บาทก็แล้วกันก็แล้ว 60 บาทแล้วฉันตกใจมาก ฉันก็เลยยกมือไหว้เค้าแล้วก็พูดไปลงไปเลยไม่มีเงินแล้วยังจะมาเรียกแท็กซี่อีกนี่อะไรกันแล้ว อย่างเช่นจะมีสภาพแบบนี้รู้แล้วว่าคนเวลาที่ไม่มีเงินเข้าเป็นยังไงรู้แล้วว่าอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนคิดถึงสามีที่รักเขาถนุถนอมดูแลเราเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงของเขาก็ใครจะไปคิดแล้วว่าจะมีแท็กซี่ที่จะส่งรถทําไมเขาไม่ส่งผู้โดยสารล่ะยืนอยู่ข้างถนนอีกแล้วแล้วนี้มันที่ไหนล่ะอยากก็ล้องไห้จงเลยอดทนหนอ กลัวหนอหนอแล้วก็อธิษฐานจิตๆหน่อยแล้วก็ไปส่งให้ถึงบ้านหน่อยเถอะเพราะฉันยัง กิโลเมตรที่ 14 ก่อนถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วพอไปถึงเช็ดถึง แล้วฉันก็มาถึงบ้านเกือบบ่าย 4 เข้าไปในบ้านหยิบเงินค่ารถ ป้าบอกแล้วอย่าไปอย่าไปก็ไม่เชื่อแล้วนี่เป็นอะไรทําไมไม่โทรหาป้า นึกเอาแต่ใจตนเองตอนที่ฉันแสดงกิริยาไม่น่าไม่น่า เค้าเราอยู่บ้านมาทั้งวันเราก็เบื่อพอเค้ามาถึง ขออโหสิกรรมที่ทํากับเขามากมายกราบในความรักที่นะที่ฉันได้พบวิปัสสนาทําสามีเปรียบเสมือนพระของฉันพระพรหมที่มีกรุณามุทิตาอุเบกขาความคิด รู้ถูกกรรมฐานงานดูจิต